โสธนสูตรจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตพระสูตรว่าด้วยเรื่องการชำระหรือว่าทำความจริงให้กระจ่างให้แจ่มแจ้งให้เกิดความเข้าใจ6ประเด็น6ประการด้วยกันซึ่งก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระองค์สมมุติขึ้นมาก็คือถ้ามีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พยากร์อรหันตผลขึ้นมา ว่าข้าพเจ้ารู้ว่าชาติสิ้นไปแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้หรือว่าพยากรณ์อรหัตผลในแง่ใดแง่หนึ่งขึ้นมาภิกษุทั้งหลายก็ไม่พึงเพลิดเพลินยินดีหรือว่าไม่พึงปฏิเสธภิกษุนั้นรั้นไม่ยินดีไม่ปฏิเสธแล้วก็มีคาถามถามท่าน เพื่อชําระให้เกิดความเข้าใจหรือว่าให้เกิดความกระจางในสิ่งที่ท่านรู้ว่าท่านได้รู้ถูกต้องไหมถ้าท่านได้รู้ถูกต้องแล้วก็สาธุการคือแสดงความชื่นชมอนุโมทนายินดีโดยสิ่งที่นำมาตรวจสอบก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้ถึงเราจะไม่ได้บรรลุเองแต่ว่าคนไหนที่ได้บรรลุได้เห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกเราได้เรียนมาอันนั้นก็ หน้าอนุโมทนาอยู่แล้วนะถึงเราไม่ได้บรรลุแต่เราเรียนมาเราก็พอรู้ว่าพระพุทธเจ้าว่ายังไงอย่างนี้นะครับคำถามที่หนึ่งที่ควรจะถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างก็คือเรื่องโวหารของชาวโลกโวหารที่ชาวโลกเขาพูดกันเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดที่เขาพูดกันทั้งสิ่งที่มองเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกต่า ง, างที่ชาวโลกเขา ใช้คำพูดกันต่างๆนาน า, นาสมมุติบัญญัติกันขึ้นมีทัศนคติมีอุดมคติอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ของชาวโลกมันมีเยอะมากมายเหลือเกินทีนี้ต้องถามท่านว่าท่านรู้ยังไงเห็นยังไงจึงไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในคำพูดของชาวโลกจิตนั้นนะ่ะหลุดพ้นไปจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในโวหารนทีนี้ พระหันก็จะตอบถ้าตอบโดยถูกต้องก็จะตอบว่าท่านนั้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีความอิงอาศัยในคำพูดโวหารของชาวโลกไม่มีความติดข้องไม่มีความผูกพันเป็นผู้หลุดพ้นไปแล้วพลากออกไปแล้วมีจิตที่ไม่มีขอบเขตมีจิตที่กว้างขวางอยู่นะไม่ติดข้องกับความเห็นใดความเห็นหนึ่ง ไม่ติดข้องกับเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องทัศนคติเรื่องอุดมคติเรื่องใครจะผิดใครจะถูกอันนั้นไม่มีในความเห็นของพระอระหันต์หรือว่าไม่อยู่ในมุมมองของท่านเพราะาท่านได้รู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วอย่างนี้นะครับแต่เราทั้งหลายที่อยู่กับโลกก็ส่วนใหญ่ก็จะหลงติดข้องกับโวหารของชาวโลกเรื่องถูกเรื่องผิดจ้าถูกไม่เอาผิด เราขอให้ถูกไว้เถอะนะใครบอกว่าเราผิดหน่อยก็ขอแก้ตัวสักหน่อยหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะทาไปเรื่อยแหละนะแต่พระลหันท่านไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะคาพูดของชาวโลกมันก็แค่นั้นแหละเป็นเรื่องโวหารเท่านั้นเองท่านไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วอย่างนี้นะครับถ้าจะหยิบมาพูดขึ้นมาบ้างก็หยิบมาในแง่การสอนชนเราอื่นให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองส่วนท่านนั้นไม่มีความติดข้องแล้ว สมมุติมีคนด่าท่านท่านก็อาจจะหยิบขึ้นมาพูดในแง่ว่าโอ้นี่ยมันเป็นธรรมดาเพื่อสอนคนที่ท่านต้องการสอนอย่างนี้เป็นต้นส่วนตัวท่านก็ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความผูกพันกับคําพูดอะไรเหล่านั้นแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าพระอรหันต์ท่านก็จะเป็นอย่างนั้นรู้เห็นอย่างนั้นนั่นแหละจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในโวหาร ต่อมาก็เรื่องที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5ขันธ์หอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายกับใจของเราเ่งนี่แหละที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวนเวียนกันไปนะรู้เห็นยังไงจึงมีจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันธ์ทั้ง5ถ้าท่านที่เป็นพระอรหันต์รู้โดยชอบท่านก็จะตอบว่าท่านได้รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นนะ่ะเป็นของไม่มีกำลังเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนไม่ได้ยิ่งใหญ่ในตัวของมันเองเพราะว่ามันเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่ได้อยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้อยู่ได้อย่างมีกาลังเด็ดขาดเป็นของที่ เกิดมาจากปัจจัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยเท่านั้นเองตัวมันจึงเป็นอะบลังคือปราศจากกำลังปราศจากความสามารถถ้าพูดถึงแล้วนะวิราคุณังก็เป็นของที่ต้องหมดไปแ ป, ปรปลุนไปเป็นธรรมดาอนัตสาสิกังก็เป็นของที่ให้ความปลอดโปรง่งให้ความรื่นเริงใจให้ความสดชื่นใจให้ความเบาใจไม่ได้ ถ้าไปยึดถือไปติดข้องไปเพลิดเพลินกับมันก็คงจะทุกข์อย่างเดียวเนะมื่อเห็นแล้วว่าเอ้ยเอาชีวิตเอาจิตใจไปฝากไว้กับมันไม่ได้ให้ความปลอดโปรองค์ไม่ได้หายใจไม่สะดวกเอาชีวิตไปฝากไว้กับมันแล้วไม่ได้รู้เห็นอย่างนี้แล้วอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นความจริงจังความยึดติดความเอาชีวิตไปฝากไว้ไปกอดมันเอาไว้หรือว่ากิเลสใดๆที่มีอยู่ มันก็จะถึงความสิ้นไปหมดไปแล้วก็สลัดคืนสลัดคืนนะก็คือให้ให้มันเป็นอย่างนั้นของมันอย่างนี้นะไม่ได้เอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้ก็เรียกว่าได้เข้าใจความว่างหรือว่าเข้าใจสุญยตาเข้าใจสิ่งต่างๆนั้นไม่มีความหมายของตัวตนหรือว่าของตนให้มันเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละ ของที่มันไม่เที่ยงก็ปล่อยให้มันไม่เที่ยงของที่มันบังคับไม่ได้ก็ปล่อยให้มันบังคับไม่ได้ของที่มันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เขาเรียกว่าสลัดคืนนะฉะนั้นคําว่าว่างในที่นี้ก็คือเต็มด้วยธรรมะเต็มด้วยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันไม่มีความหมายของตัวตนว่าเราจะบังคับได้ไม่มีความหมายว่าเที่ยงว่าคงทนว่าอัตตาเข้าไปไว้ในนั้น อย่างนี้นะครับอันนั้นแหละคือการเห็นความว่างเห็นสุญญาตาว่างจากตัวตนว่างจากความหมายของคําว่าเที่ยงคําว่าสุขคําว่าอัตตาคําว่าการบังคับได้ว่างจากสิ่งเหล่านั้นแต่เราทั้งหลายนี่มันวุ่นเนาะของเขาไม่เที่ยงมันไปวุ่นหาวิธีทําให้มันเที่ยงของเขาไม่คงทนมันวุ่นวิ่งวุ่นหาวิธีทําให้มันคงทน ของที่มันบังคับไม่ได้เราวิ่งหาวิธีบังคับบังคับนั่นบังคับนี้ลอบบี้ทางโน้นลอบบี้ทางนี้ว่าไปทั่วไม่เห็นความว่างก็เลยกลายเป็นวุ่ น, ว, นวายไปทั่วนะครับก็ลองดูว่าใครจะชนะนะนจริงๆไม่ต้องลองลเราแพ้ตลอดอยู่แล้ว <c oughs> ฉะนั้นไม่ต้องไปหาวิธีชนะกิเลสนะไม่ต้องไปหาวิธีชนะมันเพราะว่า เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเราผู้หาก็ไม่ที่ยงังไม่มีตัวตนสิ่งอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงแหละนะครับอันนี้ก็กล่าวถึงปัญหาอันที่สองที่ถามขึ้นเพื่อชำระหรือว่าเพื่อสสางความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องขึ้นจะได้รู้จะได้แจมแจ้งว่าโอ้ท่านองค์นี้ท่านมีความรู้อย่างนี้ เมื่อท่านตอบอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนาสาธุ ก, การแล้วก็ถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปอีกในข้อที่หนึ่งหน้าที่สองย่อหน้าสุดท้ายนะครับก็มีคำถามให้ถามไปได้เรื่อยๆในที่นี้ก็จะมีหเรื่องด้วยกันนะจึงชื่อว่าเฉวิโสธนะในข้อที่หนึ่งอนะครับอ่านพร้อมกันนะะยิมาวุโสทาตุโย เตนะพักวตาชาณตาปัสตาอารหตาสัมมาสัมพุทเทนะสัมมาดักขาตากตมาชาปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายธาตุอากาสะธาตุวิญญาณธาตุอิมาโขอาวุโส ชาทาตุโยเตนะพักวะตาชาณตาปั ส, สตาอาระหะตาสัมมาสัมบุตเทนะสัมมาดักขาตากะถังชาณโตปะนายสมะโตกะถังปัสโตอิมาสุชาสุทาตุสุอนุปายะอาสวหิ จิตตังวิมุตตันติฉยิมาอาวุโสทาตุโยเตนะพักวตาชาณตาปัสตาอารหาตาสัมมาสัมบุตเถนะสัมมาักขาตาดูก่อนท่านผู้มีอายุธาตุหกประการเหล่านี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัสไว้โดยชอบแล้วกตมาชะธาหกประการคืออะไรบ้างปฐวีธาตุธาดินอาโปธาตุธาดน้ําเตโชธาตุธาดไฟวาโยธาตุธาดลมอากาสะธาตุธาดอากาศช่องว่างวิญญาณธาตุธาดรู้นะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ประกอบด้วยธาตุพื้นฐาน6ธาตุและธาตุอื่นๆสิ่งอื่นๆก็จะเติบโตมาจากธาตุพื้นฐานนั้นนี้ก็มีมหาภูตรูปทั้งสี่ที่เราเรียกกันนะนะมีปฐวีธาตุธาตุดินที่เป็นของแข่นแข็งเมื่อมีธาตุดินขึ้นมาแล้วก็จะสามารถแทนที่ช่องว่างแทนที่อากาศไดนะ้เหมือนเรามานั่งเก้าอี้เก้าอี้ตอนแรกๆมันว่างอยู่เรามานั่งปับ๊บก็แทนที่อากาศเข้าไป สิ่งที่มันแทนที่อากาศมันกินเนื้อที่ได้อันนี้เป็นลักษณะของธาตุดินไม่ใช่ตัวเรานะแต่เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้เราไปนั่งเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นธาตุดินที่แข็งแข็งไปแทนที่อากาศอาโปธาตุธาตุาน้ำธาตุที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทำให้ร่างกายนี้เป็นเนื้อเดียวกันได้ไม่หลุดขาดออกไปจากกันนะเป็นธาตุน้า ธาตุน้ำนี่เยอะที่สุดในร่างกายแล้วเป็นธาตุไหลเวียนเป็นธาตุของเหลวมันไหลเวียนไปเรื่อยธนะาตุนี้มันมองไม่เห็นนะครับนะต้องรู้สึกใช้ใจดูเอาเตโชธาตุธาตุไฟธาตุอุ่นธาตุร้อนธาตุเย็นความเย็นความร้อนในร่างกายจนกระทั่งถึงการเผาทาลายในร่างกายเผาทาลายอาหารมีการย่อยอาหารได้กินเข้าไปมันก็ย่อย แม้กระทั่งเผาตาเผาหูเผาจมูกลิ้นกายแล้วก็เผาอินทรีย์ของตนเองนอันนี้ก็ธาตุไฟธาตุไฟต่างๆพวกธาตุไฟที่เกิดจากกรรมก็จะเผาเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะเรามีชีวิตอยู่นะมันจึงจากเด็กก็เป็นหนุ่มแล้วก็เป็นแก่ซักหน่อยอินทรีย์ก็จะเสื่อมลงตาก็จะเสื่อมลงหูก็จะเสื่อมลงอะไรๆก็จะเสื่อมลงเน อะไรก็หย่อนยานลงไปเรื่อยๆตึงอยู่อย่างเดียวใช่มะหูตึงเอนเอนี่แหละอะไรเป็นตัวเผากระาัดไฟมันเผาเผาไมมทำลายลงไปเผาไม่ทำลายมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงการที่เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเผาไหมไปอย่างเงี้ยแสดงถึงการเป็นคนมีชีวิตถ้าไม่มีชีวิตมันก็จะไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับน่ะอย่างเนี้ย อันนี้เป็นธรรมดาหรือว่าเป็นการใช้ชีวิตในแง่มุมของการเกิดการตายมันก็จะเป็นไปอย่างนี้นะเป็นลักษณะของธาตุมันเป็นไปแต่ถ้าเราฝึกฝนเข้าใจมันตามที่เป็นจริงแล้วเราก็จะเดินห่างออกไปจากการทำงานของมันได้คือเราโดยทั่วไปเกิดมาเดินเป็นเส้นตรงลินเนียก็คือเกิดมาแล้วอยู่ในเพลเดินไปหาโรงอย่างี้ก็เรียก ใช้ลินเนียสมการคณิตศาสตร์ออกจากเปลก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปหาลงสมการคณิตศาสตร์ลินเนียแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่สมการคณิตศาสตร์ไม่ใช่เดินไปหาความตายเดินให้ห่างจากความตายไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เดินไปหาความทุกแต่เดินไปให้ห่างจากความทุกไปเรื่อยๆไม่ใช่เดินไปหาความสุขแต่เดินให้ห่างจากความสุขไปเรื่อยๆอย่างนี้นะพอเข้าใจไหม แต่ของเรานี่ส่วนใหญ่มันลินเหนียนะ <c oughs> เป็นเส้นตรงมากเกินไปฉะนั้นต้องฝึกฝนนะฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะจะได้เดินไปห่างจากความตายไปเรื่อยๆเราไม่ได้ฝึกมาเดินไปใกล้ความตายนะฝึกเดินเพื่อให้ห่างจากความตายคือไม่กลัวตายนั่นเองยิ่งใครที่ฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วห่างจากการกลัวตายยิ่งขึ้นไปเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นก็จะเห็นเป็นแค่ประสบการณ์อันหนึ่งเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรนะห่างจากความสุขห่างจากความทุกข์ห่างจากอิทธิพลของโลกมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้นะนี่เราฝึกอย่างนี้ไม่ใช่ฝึกเดินไปหาความตายนะฝึกเดินห่างออกมาจากความตายต่อไปก็ไม่ต้องตายอีกดีไหมทีนี้ถึงจุดหมายแล้วคือไม่ต้องตายอีกแล้วเป็นอมตแะแล้วอย่างนีนะ้แต่เรานี้คงจะเป็นแบบสมการเส้นตรงไปหน่อยเนาะ สมการเส้นตรงก็ออกจากเปลปั๊บก็เดินเดินเดินไปอา้าวลงอยู่ไหนเนี่ยเสร็จเลยจบจบเรื่องแล้วตอนนั้นเองฉะนั้นอยู่ในโลกนี้ก็พยายามฝึกฝนนะให้มันห่างจากความตายนะครับไกลจากความตายไปเรื่อยไม่ใช่เดินไปหาความตายเดินห่างจากความตายไปเรื่อยๆ เ, เหมือนเราอายุมากขึ้นก็ต้องห่างจากความแก่มากขึ้นไปเรื่อยๆใครรู้สึกว่า เอ๊เราอยู่ใช้ชีวิตอยู่มานานแล้วรู้สึกตัวเองแก่มากขึ้นไร้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไร้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอันี้พวกนี้ก็เรียกว่าเดินไปหาลงนะคนที่แก่มากขึ้นก็ต้องมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมก็ต้องรู้สึกเออมีคุณค่ามากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณค่าเพิ่มก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เดินไปไกลจากความแก่ มีคนเป็นคนที่มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่เรานี้ส่วนใหญ่เดินไปโอ้แก่แล้วลูกหลานไม่ดูแลแล้วโลงง่งๆอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะอ้าวพูดถึงไหนแล้วทำไมไปถึงเรื่องโลงแล้วเรื่องเตโชธาต์เรื่องเตโชธา ต, เาเเ ต, าต์เรื่องเผานะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของธาตุต่างๆที่ ก่อสร้างร่างกายขึ้นมามันก็ทําหน้าที่ของมันธาตุไฟก็ทําหน้าที่เผาไหม้อาหารทําให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ได้พอเป็นไปได้จนกระทั่งเผาไหม้อินทรีย์ให้ตาให้หูอะไรต่างๆมันเสื่อมลงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของมันนะแต่เราฝึกฝนนี้เพื่อรู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วก็อยู่เหนือมันฉะนั้นเราไม่ได้มาฝึกให้เดินไปสู่ความตายแต่ฝึกเดินไปเพื่อห่างจากความตายไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าโอ้แก่แล้วรู้สึกแก่มากขึ้นเรื่อยๆอยันนี้ไม่ใช่แก่แล้วต้องรู้สึกว่าเห่างจากความแก่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือไม่รู้สึกว่าความแก่เป็นปัญหาเห็นว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาเห็นเรื่องสิ่งนั้นเป็นเรื่องการมีประสบการณ์อันหนึ่งเป็นการเรียนรู้อันหนึ่งอย่างนี้นะอันนั้นเรียกว่าเราเดินห่างจากความแก่ขึ้นไปเรื่อยๆห่างจากความเจ็บความปวดขึ้นไปเรื่อยๆห่างมันไปเรื่อยๆ สิ่งต่างๆก็มีอิทธิพลต่อเราน้อยลงใช่อหมออชาตินี้ได้หน่อยนึงห่างออกมาแล้วนิดหน่อยแล้วชาตินี้ไม่บรรลุชาติต่อไปก็เอาต่อห่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างเนี้นะไม่ใช่เดินไปหาลงนะอันนั้นมันเป็นธรรมดาของโลกแหละเกิดมาแล้วต้องตายวนเวียนไปกับโลกแต่พระพุทธเจ้านี่สอนแบบเหนือโลกนั้นเราต้องเข้าใจคําสอน คนละแบบกันนะต่อมาก็วายโยธาด ธ, ธาตุลมธาตุปลิวไหวเคลื่อนที่ยักย้ายไปมาได้ทำให้เราเคลื่อนไหวขมุบขมิบพูดได้กระพริบตาได้เคลื่อนไหวซ้ายขวาเดินไปนั่นไปนี่ได้อาศัยาธาตุลมาธาตุเคลื่อนที่ทาธาตุไหวาธาตุตึงาธาตุโยกโครงอากาศธาตุคือช่องว่างทาให้ ธาตุต่างๆทำงานได้สมบูรณ์ขึ้นแลวก็เป็นตัวฐานทำให้เกิดธาตุอื่นๆที่มาเิงอาศัยมหาภูตรูปได้อีกมากมายมหาศารนะครับอากาศธาตุธาตุช่องว่างแล้วสิ่งมีชีวิตก็จะมีวิญญาณธาตุคือาธาตุรู้าธาตุรู้คือาธญญาตุบิณฑานนะครับ เมื่อมีวิญญาณแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิญญาณขึ้นมาที่เราเรียกว่าเป็นเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าตัวพื้นฐานจริงๆก็มีแค่หธาตุเท่านี้เองฉะนั้นเวลาเราพูดถึงธาตุพื้นฐานในร่างกายเราในจิตใจนามรูปของเราก็มีหกธาตุส่วนธาตุดิ่นๆนี้เป็นธาตุที่อิงอาศัยสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอีกเมื่อมีธาตุดินน้ำไฟลมมีอากาศสธาตุแล้วก็ ใส่อาหารเข้าไปต่อมาก็เกิดภาษาทรูปเกิดโตสตภาษาทารูปเกิดกายภาษาทรูปรูปอื่นๆที่อิงอาศัยมหาปูตรูปขึ้นมาอีกมากมายเหลือเกิดแล้วแต่เกิดความเป็นหญิงความเป็นชายเหล่านี้ก็อิงอาศัยธาตุเท่านั้นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องรูปแล้วแต่ที่จริง รูปหญิงรูปชายก็ไม่ต่างกับต้นไม้หรือว่าไม่ต่างกับเสาอันนี้นพูดถึงตัวรูปแท้ๆแล้วมันก็เหมือนกันส่วนสิ่งที่ต่างกันก็คือธาตวิญญาณวิญญาณธาตนะครับก็คือธาตุรู้นะทีนี้ธาตุรู้ของแต่ละคนวิญญาณธาตุจิตที่เป็นพื้นฐานของแต่ละคนนั้นที่ทําให้มีสิ่งต่างๆเกิดมาได้เพราะความไม่รู้คือมีอวิชชาเหลืออยู่มันก็สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาอีกเต็มไปหมด เหมือนกับมีเชื้อหรือว่ามีมเมล็ดนะคือวิญญาณธาตุที่มีอวิชชาอยู่มันก็ก่อนั่นก่อนี้ขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าวิญญาณธาตุนั้นเต็มไปด้วยความรู้มีวิชาเกิดขึ้นแล้ววิชานี้ไม่ใช่วิญญาณธาตุนะวิชานี้เป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดในวิญญาณธาตุอีกทีหนึ่งจิตนั้เป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนั่นแหละ สติเป็นตัวรละลึกได้นี้ไม่ใช่วิญญาณนะเป็นคนละตัวกันแต่เป็นสิ่งที่เกิดในวิญญาณเหมือนวิชาปัญญาอย่างเนี้ก็ไม่ใช่วิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฝึกจนกระทั่งเกิดขึ้นและมีปัญญาวิชาเกิดขึ้นแล้วมีวิชาเกิดผู้ที่หลุดพ้นนี่เป็นจิตแหละเป็นวิญญาณหลุดแต่ผู้ที่ทําให้จิตหลุดนี้คือปัญญาจิตก็เป็นพื้นฐานเป็นท่านรู้เหมือนเดิมธรรมดาเข้ามันไป นะเหมือนอวิชชาอาวิชชาเป็นความไม่รู้ก็ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตจิตก็เป็นวิญญาณเมื่อเดิมเป็นธาตุรู้ของมันแต่ทําให้รู้ผิดผิดรู้ไม่ถูกไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์จริงๆไม่รู้อะไรคือทุกข์ขันสมุทัยไม่รู้ว่าอะไรคือทุกขานิโรธาไม่รู้ว่าอะไรคือทุกขานิโรธคาไม่หนีปฏิปทาอันนี้เป็นอวิชชาที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ตอนนี้พูดถึงธาตุพื้นฐาน มีหกธาตุนะครับก็ถามต่อไปนะอิมาโขอาวุโสชะตาตุโยเตณะพะกวัตาชาณะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมบุตเทนะสัมมดขาตาดูก่อนท่านผู้มีอายุธาตุทั้งหลายหกประการเหล่านี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วกระถังชาณะโตปานายัสมะโตกระถังปัสโตก็ท่านผู้มีอายุเห็นอย่างไรรู้อย่างไรเห็นอย่างไรอิมาสุฉะสุทาตุสุอนุปาดายะอาสวหิจิตตังวิมุตตังนะ รู้อย่างไรเห็นอย่างไรจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในท่าทั้งหกประการเหล่านี้นะต้องถามว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรนะครับไม่ใช่รู้อะไรนะเวลาพื่อนแต่เราจะชอบพูดกันว่ารู้อะไรดีรู้นั่นรู้นี่รู้โน่นรู้ไปหมดแต่ว่าต้องถามว่ารู้อย่างไรนะใช้ชีวิต อย่างนั้นอย่างนี้กินข้าวอร่อยกินข้าวไม่อร่อยกินไก่กินปลาโออย่างนี้นะแต่อันนั้นมันถามแบบทั่วไปเราอย่าถามแบบนั้นต้องถามแบบกินอย่างไรแต่เขาบอกว่าเอ้ากินไก่กินเป็ดอันนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญอยู่ว่ากินยังไงกินอย่างไรกินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวหรือว่ากินด้วยความหลงเพลิดเพลินไปเนี่อย่างนี้นะโอ้ผมไปเที่ยวประเทศโน้นมาประเทศนี้มา นั่นมันไม่สําคัญหรอกไม่ได้สําคัญว่าไปไหนสําคัญว่าไปอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรคำถามว่าอย่างไรนี่มันสําคัญกว่าเพราะว่าเป็นแง่ของปัญญาเป็นแง่ของสัมปชัญญะนะครับเหมือนกับเราพูดผมพูดอย่างนั้นผมพูดอย่างนี้พูดดีบ้างพูดไม่ดีบ้างอันนั้นไม่สาคัญเท่าไหร่หรอกว่าพูดอะไรบ้างสําคัญว่าพูดอย่างไรตอนพูดเนี่ย พูดด้วยความรู้สึกยังไงคิดยังไงเนี่ยอย่างนี้นะรู้เนื้อรู้ตัวไหมหรือว่ามีกิเลสแล้วก็ไปพูดดีมีกิเลสก็ยังพูดดีได้ฉะนั้นไม่ได้ว่าพูดอะไรแต่ว่าพูดอย่างไรอย่างนี้นะเนี่ยคาว่าอย่างไรนี่ยเป็นคําถามในแง่มุมของปัญญาในแง่ของสัมปชัญญะนะอย่างเนี้นะครับ ฉต า, าตั้งคำถามก็ตั้งคำถามแบบนี้บ่อยๆนะก็จะเสริมให้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้นได้ต่อไปในหน้าที่สมพระอรหันตะขีนาศก็จะมีคำตอบให้ในเรื่องของธาตุทั้งหกนี้อ่านพร้อมกันในหน้าที่สย่อหน้าที่หนึ่งนะครับขีนาสวัทสะพิกเวพิกุโนวุสิตาวัโตกาตะกรณียัสะ โอหิตาปารัสะอนุปัตตสัตทัสสัปริกีณาภวะสัญญชนัสสัสัมมาดัญญาวิมุตตัสัอายะมนุธรรมโมโหติเวยากรณายะปทวีทาตุงโขอาหังอาวุโสณัตโตอุปาคตฉิง นาจะปทวีธาตุนิสิตังอัตตาหนังเยจป่ปทวีธาตุนิสิตาอุปาดายุปาดานาเจตโสอทิฐานาพินิเวสานุสยาเตสังขยาวิราคานิโรธาจาคาปฏินิสักาวิมุตตังเมจิต ตันติปชานามิอาโปธาตุงโขอหังอาวุโสเตโชธาตุงโขอหังอาวุโสวาโยธาตุงโขอหังอาวุโสอากาศธาตุงโขอหังอาวุโสวิญญาณธาตุงโขอหังอาวุโส นอัตโตอุปคัจฉิณาจะวิญญาณธาตุนิสิตังอัตนานเยจะวิญญาณธาตุนิสิตาอุปาดายุปาดานาเจตโสอธทิฐานาพินิเวสานุสยาเตสังขยาวิราคานิโรธา ปตินิสัก ข, ขาวิมุตตังเมจิตตันติปะชานามิเอวังโขเมอาวุโสชาณโตเอวังปัสโตอิมาสุชาสุธาตุสุอนุปาดายะอาสวหิจิตตังวิมุตตันติ ตัสสะพิกเวพิกุโนสาทูติภาสิตังอภินันติตตบังอนุโมติตตบังสาทูติภาสิตังอภินันติตตวาอนุโมติตตวาอุตตริงปันโหปุจจิตัปโโบเมื่อมีคําถามเรื่องธาตุทั้งหก เรื่องปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วท่านรู้ยังไงเห็นยังไงจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้ง6เหล่านั้นพระกีณาศพก็จะมีคำตอบที่เหมาะสมสำหรับเรื่องนั้นให้ว่านะพระกีนาศพ ขีนาสวัสดะิกเวภิกุโนวุสิตะวัโตกะตะการณิยัตสะโอหิตะบาลสสะอนุ ป, ปัตตสัทัตสสะปริขีณาภวะสัญโยชนัสสะสัมมัดัญญาวิมุตตสสะอายะมนุธรรมโมโหติเวยาการณายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เป็นพระขีนาสพอยู่จบพรมอาจารย์แล้วมีกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้ว มีภาระอันวางลงแล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุแล้วมีเครื่องผูกไว้ในภพอันสิ้นไปแล้วมีความหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบก็จะมีคำตอบนี้ที่สมควรตามเหตุตามผลว่าปัทวีธาตุงโขอหังอาวุโสณัตตโตอุปคัจฉิง ณจะปทวีธาตุนิสิตังอั ต, ตานังดูก่อนท่านผู้มีอายุกระผมนะ่รู้จักปทวีธาตุรู้จักปทวีธาตุนี่นะธาตุดินรู้จักว่าอะไรรู้จักว่าณอัตโตอุปคัคฉิงรู้จักมันโดยไม่เข้าไปยึดมันว่าเป็นตัวตนอุปคัคฉิงแปล ว, ว่าไม่เข้าไปยึดณอุปคัคชิง หน้าอุปคติจึงไม่เข้าไปยึดมั่นอันตโตโดยความเป็นตัวตนเป็นตัวเรา่ังร่างกายนั่งอยู่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยนะมันแทนที่อากาศใช่ไหมเนี่ยธาตุดินเป็นตัวเรานั่งไหมเนี่ยะะจริงๆไม่ใช่น ะ, นะแต่เรานี่ไปยึดไปยึดธาตุดินโดยความเป็นตัวตนจึงรู้สึกว่าเรานั่งเรานั่งจริงๆซะด้วย แต่พระระหันไม่ยึดอย่างนี้พระระหันก็มานั่งเหมือนกันแต่ไม่รู้สึกอย่างนี้เลยนะครับความรู้สึกจะต่างกันนะไม่เข้าไปยึดธาตุดินไม่เข้าไปยึดปฐวีธาตุดโดยความเป็นตัวตนนะถ้ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของธาตุลมนะมือเคลื่อนไปเคลื่อนมาขาเคลื่อนไปเคลื่อนมามีการเคลื่อนเหมือนกันตากระพริ บ, บอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกขึ้นมาโอ้ มือเรามันเคลื่อนไปอะไรเคลื่อนนั่นเคลื่อนนี่ไปเรื่อยมีเรามีของเราโผล่มาพระละหันไม่ได้เข้าไปยึดอย่างนั้นนะเป็นาธาตุธาตุจริงๆนะนะจะปทวีธาตุนิสิตังอัตตานังไม่เข้าไปยึดสิ่งที่อาศัยปทวีทาธาตุว่าเป็นตัวตนไม่ยึดตัวปทวีทาธาตุด้วยไม่ยึดตัวที่ไปอาศัยปทวีทาธาตุ ว่าเป็นตัวตนด้วยตัวที่ไปอาศัยพวกปฐวีธาตุก็ตาเนี่ยก็อาศัยอยู่พวกตาเนี่ยเขาเรียกจักระภาษาทรูปเป็นรูปอาศัยโสตภาษาทรูปหูนี่ก็มาอาศัยน่ะกายภาษาทารูปนีกาากนนาาป่ก็มาอาศัยจมูกนี่ยคานาภาษาทรูปก็มาอาศัยลิ้น คิวหาภาษาทรูปก็มาอาศัยและรูปอื่นๆที่ทำให้มีความเป็นหญิงเป็นชายที่มีรูปทรงสันฐานแตกต่างกันเสียงแตกต่างกันมีหน้าอกแตกต่างกันหรือว่ามีขนขนผมอะไรแตกต่างกันเ น, นี้ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ม า, มาอาศัยปฐวีาธาตุนะครับ ดังนั้นพระอรหันต์ท่านไม่เข้าไปยึดปัทวีธาตุโดยความเป็นตัวตนแล้วก็ไม่เข้าไปยึดสิ่งที่มาอาศัยปัทวีธาตุว่าเป็นตัวตนอีกด้วยพอไม่เข้าไปยึดแล้วเป็นไงพอไม่เข้าไปยึดแล้วนะเห็นมันตามที่เป็นจริงแล้วพวกกิเลสทั้งหลายมันก็หมดสินะพอไม่ไปยึดมันแล้วนะเยจะปัทวีธาตุนิสิตาอุปาดายุปาดานาเจตโศ อทิษฐานาพินิเวสานุสยาอุปาทานที่เข้าไปยึดปฐวีธาตุและสิ่งที่อาศัยปฐวีธาตุความจริงจังยึดติดแนบแน่นไปกอดมันเอาไว้กิเลสทั้งหลายที่ยังละไม่ได้ที่ไปยึดติดกับปฐวีธาตุนั่นนหะพอเห็นว่าปฐวีธาตุไม่ใช่ตัวตนไม่เข้าไปยึดทั้งเห็นว่า สิ่งที่อาศัยปฐวีธาตุก็ไม่ใช่ตัวตนไม่เข้าไปยึดด้วยกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็หมดไปเตสังขยากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นมีอะไรบ้างก็มีความยึดมั่นถือมั่นมีอาทิฐานะการเอาชีวิตเอาความสุขเอาความทุกข์ไปฝากไว้ความจริงจังกับมันอภินิเวะการนอนกอดมันเอาไว้ไม่ปล่อยมันออกไปอนุสยะ กิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่มันเกิดขึ้นมาได้บ่อยๆอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดเห็นไหมนี่ถ้าเราเข้าใจตามที่มันเป็นจริงไม่เข้าไปยึดนะกิเลสก็จะสิ้นไปอุปมาพระพุทจารย์ท่านอุปมาว่าอย่างนี้อ่าภิกษุทั้งหลายเห็นคนที่เขาลากใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งไปเผาไหมท่านว่าอย่างนี้นะภิกษุเขาบอเห็นเห็น เธอทุกอะไรกับใบไม้แห้งไหมกิ่งไม้แห้งที่เขาลากไปเผาอ่ะก็ไม่ทุกอะไรใช่ไหมก็เราก็เผาอยู่ทุกวันน่ะนั่นก็ธาตุสี่นั้นน่ะทําไมไม่ทุกไปกับมันก็เราไม่ได้ไปคิดว่ามันเป็นตัวตนเป็นของเราสิ่งที่เนื่องด้วยเราอะไรนี่นะเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องก็ถามอย่างนี้ให้เห็นเห็นเหมือนกันนั่นแหละภิกษุทั้งหลายเหมือนกันเลยนี่นะนนนเนี่ยเนี่ยธาตุธาตุทั้งหเนี่ยคือกายกับใจของเธอนั่นแหละ ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันนะใครจะเอาไปทําอะไรใครจะเอาไปเผาเอาไปตีทิ้งจะทุกข์ไหมนึกไม่ออกนี่นึกไม่ออกก็พระพุทธเจ้าท่านถามลิขสูงไะเห็นไหมนะ่ะเขาลากกิ่งไม้ใบไม้แห้งเอาไปเผานะั่นน่ะลากไปแล้วก็ต้องตัดใช่ไหมตัดให้มันเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ก่อเป็นกองแล้วก็เผาไฟทุกข์ไปกับมันไหม ก็ไม่ได้ทุกไปกับมันเพราะว่าไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราหรือว่าสิ่งที่เนื่องด้วยเรากายกับใจนี้หรือว่าท่าต่างๆในการในใจก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ยึดมันใครจะเอาไปทำอะไรใครจะมาทุบมาตีจะเจ็บจะปวดมันจะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นก็เหมือนอย่างนั้นนั่นแหละอย่างนี้นะนะครับนี่พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกัน ก็คือพระละหันท่านไม่เข้าไปยึดปฐวีธาตุว่าเป็นตัวตนแล้วก็ไม่ไม่ยึดทั้งสิ่งที่อาศัยปฐวีธาตุว่าเป็นตัวตนพวกอุปาทานต่างๆความยึดมั่นถือมั่นต่างๆการจริงจังการเอาความสุขความทุกข์ไปฝากเอาไว้การนอนกอดเอาไว้ไม่สละออกไปกิเลสชนิดต่างๆก็สิ้นไปเนี่ยเพราะรู้อย่างนี้นะนี่อุปมาเหมือนกับรากต้นไม้ไป อย่างนี้นะเอา้ามันต่างกันอะไรไม่ต่างกันใช่ไหมอันนี้ก็ธาตุอันนั้นก็ธาตุอย่างนี้นะถึงจะมีวิญญาณธาตุธาตุรู้อยู่ด้วยมันก็ธาตุเหมือนกันแนะ่ะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมือ น, นกันมันก็พ อ, พอๆกันอย่างนี้นะนี่คนไม่เข้าไปยึดเข้าเป็นอย่างนั้นนะส่วนพวกเข้าไปยึดก็คงจะยึดมั่นถือมั่นกิเลส ช, ชนิดต่างๆก็มาเป็นขบวนขบวนทีเดียวนะครับ นาเตสังขยากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็ถึงความสิ้นไปวิราคาคลายไปนิโรธาดับไปจาคาสละออกไปปฏินิสข า, ค, าคืนไปเมื่อสลัดคืนกิเลสสลัดคืนสิ่งต่างๆออกไปแล้ววิมุตตังเมจิตตังอิติปชานามิกระผมก็รู้ว่าจิตของเรานั้นหลุดพ้นแล้ว ในด้านอาโปธาตก็ทำนองเดียวกันเตโชธาตวายโยธาตอากาศธาตจนถึงวิญญาณธาตก็ทำนองเดียวกันวิญญาณธาตุุงโขอหังอาวุโสณันะตโตอุปคัดฉิงดูก่อนท่านผู้มีอายุกระผมนั้นน่ะมีความรู้ว่าเราไม่เข้าไปยึดวิญญาณ วิญญาณธาตุโดยความเป็นตัวตนนจะวิญญาณธาตุนิสิตังอัตานังแล้วก็ไม่เข้าไปยึดสิ่งที่อาศัยวิญญาณธาตุโดยความเป็นตัวตนไม่เข้าไปยึดธาตุรู้นะเห็นก็ไม่ใช่เราเห็นนะนะไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราคิดเรานึกนะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยึดสิ่งที่อาศัยวิญญาณธาตุด้วยเวทนาสัญญา สังขารที่ปรุงแต่งอาศัยวิญญาณธาตุเกิดขึ้นเป็นจิตประเภทนั้นจิตประเภทนี้ก็ไม่ได้เข้าไปยึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนี้กิเลสจะมีไหมเออกิเลสมันก็หมดไปเลยนะเนี่ยเนี่ ย, เ, ยเกิดความรู้อย่างนี้นะกิเลสจะหมดนะครับไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นนะบางคนพยายามจะหมดกิเลสคงจะได้พยายามไปเรื่อยๆนะต้องรู้มันต้องรู้มันว่าเอ้มันไม่ใช่ตัวตน ทั้งวิญญาณทั้งสิ่งที่อาศัยวิญญาณนั่นแหละต้องรู้อย่างนี้กิเลส ท, ทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นการจริงจังการกอดเอาไว้ไม่ปล่อยกิเลสชนิดต่างๆมันจึงจะหมดได้ไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องยึดมั่นถือมั่นกอดเอาไว้ไม่ปล่อยไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยมันไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ยอมสละคืนไปแต่ถ้าเห็นมันตามที่เป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรานะ ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทั้งตัวมันด้วยทั้งสิ่งที่อาศัยมันด้วยล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนนะครับนะกิเลส ท, ทั้งหลายนะอุปาทานอุปาทานอธิษฐานอภินิเวศอนุัยนี่เป็นชื่อของกิเลสชนิดต่างๆที่ทำให้เราติดข้องยึดมั่นกอดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยจนเป็นเหตุทำให้กิเลสชนิดอื่นๆเกิดมาไม่สิ้นสุดนะครับ อธิฐานะก็คือความจริงจังไปยึดติดแนบแน่นอภินิเวศคือกอดมันเอาไว้ไม่ปล่อยไม่ยอมให้มันไปแล้วอนุสยะก็กิเลสชนิดที่ยังละไม่ได้เพราะเรายังแน่นมันอยู่ยังกอดมันเอาไว้อยู่กิเลสชนิดต่างๆก็มาเป็นกระบวนขบวนทีเดียวแหละที่นีนะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไรเกิดความรู้กิเลสชนิดต่างๆก็หมดไปนะ เมื่อเราหมดความยึดมั่นถือมั่นหมดความจริงจังหมดความไปกอดมันเอาไว้อปล่อยมันไปแล้วกิเลสชนิดต่างๆมันก็หมดไปเตสังขยาวิราคานิโรธาจาคาปฏินิสขาพอกิเลสหมดไปคนที่หมดกิเลส ท, ท่านก็จะต้องรู้ขึ้นมาว่าปีมุตตังเมจิตตังปชานามิรู้ว่าจิตของเรานั้นหลุดพ้นแล้ว เอวังโขเมอาวุโสชาณโตเอวังปัสโสตอิมาสุฉะสุทาตุสุอนุปาดายาสเวหิจิตตังวิมุตตังดูก่อนท่านผู้มีอายุกระผมเมื่อกระผมรู้อยู่อย่างนี้แลเห็นอยู่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้งหกเหล่านี้ รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นะจิตจึงหลุดพ้นชั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายก็คือไปรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นอย่างนี้ว่าโอ้เนี่ยธาตุทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะและสิ่งที่อิงอาศัยธาตุก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนกันทั้งหมดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเห็นอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้พวกกิเลสทั้งหลายก็จะ ถึงความสิ้นไปได้ตัสสะภิกเวภิกุโนสาธุติภาสิตังอภินันติตับบังอนุโมทิตับบังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงชื่นชมยินดีพึงอนุโมทนาคำของภิกษุนั้นว่าสาธุดีแล้วดีแล้วสาธุติภาสิตังอภินันดิตวาอนุโมทิตวาอุตริงปนโหปุชิตัโโบ ครั้นชื่นชมอนุโมทนาคำของท่านว่าดีแล้วอย่างนี้แล้วก็มีปัญหาที่พึงถามให้ยิ่งขึ้นไปอีกได้กี่คำถามแล้วเนี่ยอ่าสามแล้วใช่ถามเรื่องโวหารของชาวโลกยังติดข้องกับโวหารของชาวโลกไหมติดข้องกับคำพูดเขาว่าดีก็ดีตามเขาไหมชั่วก็ชั่วตามเขาไหม ต่อมาก็เรื่องขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นรู้ขันห้าว่ายังไงจึงปล่อยวางมันได้จึงไม่ยึดมั่นถือมั่นได้นะต่อมาก็เรื่องของาธาตุซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดขันธาตต่อไปอีกเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่างนี้ต่อมาก็มีคำถามที่พึงถามต่อไปอีก อันนี้ต่อไปก็จะเป็นกระบวนการทำงานของธรรมะทุกๆอย่างขันห้านี้เป็นกองทุกที่มันเกิดขึ้นวนเวียนไปไม่สิ้นสุดส่วนตัวธาตุนี้เป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดขันทั้ง5้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งต่อมาก็จะถามถึงกระบวนการทำงานของสิ่งที่ได้มาของการวนเวียนไปเรื่อยๆก็คืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนะครับกระบวนการทางานอย่างนี้นะ ในข้อหนึ่งอ่านพร้อมกันนะครับชะโขปนิมานิอาวุโสอัจฉติกานิบาหิรานิอายตนานิเตนะภควตาชาณตาปั ส, สตาอาระหะตาสัมมาสัมบุธเทนะสัมมดขาตานิกตาตมานิชะ จักขุเจวะรูปาจัโสตันจะสัตดาจักานันจะคันธาจะราชิวหาจะราษาจะกาโยจะโบทับาจักมโนจะธรรมมาจะอิมานิโขอาวุโสชาอัชติกานิพาหิราณิอายตนานิ เทนะภะวะตาชาณะตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมบุตเทนะสัมมะดักขาตานิกะถังชาณะโตปนายัสมะโตกะถังปัสโตอิเมสุชาสุอัจจติกะบาหิเรสุอายตเนสุอนุปายะ อาสวหิจิตตังวิมุตตันตินะครับในบาลีข้อ101น่ี้ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของทุกที่วนเวียนไปตัวทุกที่วนเวียนไปคือขันธ์ทั้ง5้ามันเกิดขึ้นวนเวียนไปแต่มันเกิดขึ้นนี้มันมีการทำงานผ่านมาและผ่านไปตัวกระบวนการทำงานของมันก็ผ่านอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก มีการรับรู้เรื่องต่างๆแล้วก็มีการสร้างสรรค์สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาล้วนแต่เป็นเรื่องของกระบวนการนะครับชะโขปนิมานิอาวุโสอัจติกานิบาหิรานิอายตนานิเตนะพักวตาชาณาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมบุตเตนะสัมมดักขาตานิดูก่อนท่านผู้มีอายุอายตนะ ภายในและภายนอกอย่างละหกเหล่านี้แหลที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชอบแล้วอัจฉติการนี้ก็แปลว่าภายในบาฮีรานี้ก็ภายนอกภายในก็สิ่งที่เรายึดมากๆว่าเป็นเราติดแนบแน่นกับตัวเราบาฮีรานี้ก็เป็นอารมณ์ของมันอาจจะอยู่ในภายตัวเรานี่แหละแต่ว่า มันเป็นของภายนอกเพราะว่าเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ไปรับรู้อีกทีหนึง่งกัตามานิชฌาหกห6 ห, ห, หกคู่เป็นฉไนจกขู่เจวารูปาจะตากับรูปนะตาคู่กับรูปโสตันจะสัต ด, ดาจะหูคู่กับเสียงคานันจะคันธาจะ จมูกคู่กับกลิ่นชิวหาจะรักษาจะลิ้นคู่กับรสกายโยจะโพธบาจะกายคู่กับสิ่งสัมผัสทางกายมโนจะธรรมมาจะใจและสิ่งที่รับรู้ได้ทางใจหรือเรียกว่าธรรมารมใจกับธรรมะนันก็มีอยู่เท่านี้นะเห็นไหมที่พระรหัสท่านรู้ท่านก็รู้เหมือนที่เราเรียนมานี่แหละนะ เรียนรู้เรื่องขันรู้เรื่องธาตุรู้เรื่องอญญายตนะนี่แหละบางท่านเรียนมาจนเยอะไปหมดแล้วนะแตกแยกแยะได้เรียนเกินอรหันต์ไปแล้วบางคนเนะ่ยเยอะมากนะแต่พระอรหันต์นี่ท่านรู้ไม่ใช่รู้เยอะแยะแตกละเอียดอย่างนั้นหรอกเขาถามว่ารู้อย่างไรนะไม่ใช่ไปรู้ละเอียดรู้นู่นรู้นี่เยอะไม่ใช่อะไรรู้อย่างนั้นมันอาจจะได้แบบ ลึกซึ้งเป็นนักปราดเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าการเป็นพระอราหันต์นี้ต้องถามว่ารู้อย่างไรเหมือนเรารู้ขันห้าไม่ใช่ไปรู้แตกละเอียดซะจนยิบไปหมดนะรูปมีเท่าไรแตกละเอียดไม่ใช่อย่างนั้นต้องรู้ว่ารู้อย่างไงรูปเนี่ยต้องรู้รู้อย่างไรเนี่ยตัวสำคัญเนี่ยคือรู้อย่างไรนะครับฉะนั้นไม่ต้องรู้เยอะก็ได้แต่สาคัญคือรู้อย่างไรให้มันทราบซึ้งถึงใจจนกระทั่งถอนความเห็นผิด ถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนกิเลสได้จิตหลุดพ้นจากอาสวะได้ถ้ารู้ไม่ถูกไปรู้นั่นรู้นี่เยอะแยะแต่จิตมันถอนความเห็นผิดไม่ได้ถอนความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันก็ยังไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้นะครับไม่ใช่รู้เยอะๆแล้วดีนะต้องถามว่ารู้อย่างไรด้วยจึงจะหลุดพ้นจริงๆอย่างนี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือรู้ความจริงของมันว่าอะไรว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน มันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้อยู่ในกรอบเนี่ยไม่มีพลาดแน่นอนนะให้รู้อย่างนี้ก็แล้วกันแต่โดยส่วนใหญ่เรามีแต่จะเอาเนาะอยากจะได้นั่นได้นี่มันก็เลยวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแหละนะครับนั้นะก็ต้องฟังบ่อยๆนะนี่ก็มีคำถามถามท่านผู้ที่พยากรณ์ว่าเป็นอรหันต์ ถามเรื่องอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหอิมานิโขอาวุโสฉอัจฉิกานิบาหิรานิอายตนานิเตนะพักวตาชาณตาปัสตาอารหาตาสัมมาสัมบุตธเทธนสัมมาดักขาตานิดูก่อนท่านผู้มีอายุอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกเหล่านี้แล ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้โดยชอบแล้วกัดถังชาณะโตปนายสมะโตกัดถังปัสสโตก็ท่านผู้มีอายุรู้อย่างไรเห็นอย่างไรอิเมสุชสุอัจฉติกะบาหิเรสุอายะตเนสุอนุปาดายะอาสเสวหิจิตตังวิมุตตัง รู้อย่างไรเห็นอย่างไรจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาญตนะทั้งภายในและภายนอกอย่างละหกเหล่านี้นะครับรู้รู้อย่างไรเห็นอย่างไรนะครับต้องรู้เห็นมันตามที่เป็นจริงจนกระทั่ง เห็นมันเป็นกระบวนการทํางานของธรรมะเป็นสิ่งที่มันเกิดเกิดแล้วก็ดับไปที่ท่านเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะมคืออะไรก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาททุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกั น, กนเกิดขึ้นถ้ามันเห็นธรรมะเห็นปฏิจจสมุปบาทมันจะเกิดความเพลิดเพลินพอใจไหมมันก็ไม่เกิดนะไม่เกิดนั้นที่ไม่เกิดการเพลิดเพลินยินดีพอใจต้องเห็นมันอย่างนี้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้ ไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดเพราะอิงอาศัยโอ้เราคงจะหลงเพลิดเพลินยินดีกับมันอย่างนี้ น, นก็จะมีคําตอบให้พระอรหันนะคาตอบที่สมควรสำหรับพระอรหันขีนาสวัสดะพิก เ, เวพิกุโนเป็นต้นไปนั่นแหละนะครับเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะครับขีนาสวัสะพิก เ, เว พิกุโนวุสิตาวัโตกาตะการณียสสะโอหิตาบารัสสะอนุปัตตะสัทสัตถะปริขีณาภวะสัญโยชนัสสะสัมะดัญญาวิมุตตสะอยะมนุธรรมโมโหติเวยาการนายะจากขุสมิงอาวุโสรูเป จักข ja ุว so, ิญญาเนจักขุวิญญาณวิญญาตเบสุธรรมเมสุโยฉันโดโยราโคโยยานันดิยาตันหาเยจอุปาดายุปาดานาเจตโสอาทิฐานาพินิเวสานุสยาเตสังขยา วิราคานิโรธาจาคาปตินิสกคาวิมุตตังเมจิตตันติปะชานามิโตสตสเมิงอาวุโสสัตเดโตญญเสตะวิญญาเนคาณสเมิงอาวุโสคันเทคาณวิญญาเนจิวหายาอวุโส ระเสจิวหาวิญญาณีกายสิมิงอาวุโสโพทับเบกายวิญญาณีมณสิมิงอาวุโสธรรมเเมะมโนวิญญาเนมโนวิญญาณะวิญญาตับเบสุธรรมเมสุโยฉันโดโยราโคลยานันดิ ยาตันหาเยจะอุ ป, ปาดายุปาดานาเจตโสอาทฐานาพินิเวสานุสยาเตสังขยาวิราคานิโรธาจาคาปตินิสกาวิมุตตังเมจิตตันติปะชานามิเอวังโข อ, อาวุโส ชาณะโตเอวังปัสโตอิเมสุชาสุอาชจติกะบาหิเรสุอายะตเนสุอนุปาดายะอาเสวหิจิตตังวิมุตตันติตัสสะพิกเวพิกุโนสาทุติภาสิตังอะพินันติตับัง อนุโมทิตั บ, บงังสาธูติภาสิตังอภินันติตวาอนุโมทิอุตริงปันหโปุจิตับโบนะก็เป็นคำถามเรื่องเกี่ยวกับอายตนะเรื่องการทำงานของกระบวนการของธรรมะที่เป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท พระหรหัสก็จะมีคําตอบที่สมควรหรือว่าสมเหตุสมผลให้ว่าจักขุดสมิงอาวุโสรูเปจักขุวิญญาเนจักขุวิญญาณนะวิญญาตบเบสุธรรมเมสุโยฉันโดคนที่รู้ความจริงก็รู้จนกระทั่งว่าฉันทะหรือว่าความพอใจความพอใจในรูปในดวงตาก็ดีนะในจักสุก็ดี ในรูปก็ดีในจักขุวิญญาณก็ดีในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่รับรู้ได้โดยอาศัยจักขุวิญญาณก็ดีมันหมดไปความพอใจรู้จนกระทั่งหมดความพอใจในตาหมดความพอใจในรูปหมดความพอใจในจักขุวิญญาณหมดความพอใจในสิ่งที่จักขุวิญญาณไปรู้เข้า เนี่ยรู้อย่างนี้รู้จนกระทั่งหมดฉันทะความพอใจรู้จนกระทั่งหมดราคะโยราโคร า, ราคะอันใดความกำหนัดติดข้องรู้จนกระทั่งเลิกติดข้องในตาในรูปในจักขรวิญญาณและในสิ่งที่จกักรวิญญาณไปรู้เข้ายานันติรู้จนกระทั่ง ความเพลิดเพลินนั้นมันหมดความเพลิดเพลินในตาในรูปในจักขวิญญาณและในจักสุในสิ่งที่รู้ได้ด้วยจักสุสิ่งที่ตาไปมองเห็นเข้าอย่าตันหารู้จนกระทั่งความอยากความต้องการในเรื่องของตารูปจักขวิญญาณและสิ่งที่รู้ได้ด้วยจักขวิญญาณ เนะี่ยรู้จนกระทั่งอย่างนี้นะรู้เรื่องอายตนะเนี่ย ร, รู้เรื่องตามองเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นริ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกรู้เห็นมันทำงานเห็นมันจนแจ่มแจ้งเห็นมันทุกอย่างนะเป็นกระบวนการทำงานไปทั้งหมดเห็นมีแต่สิ่งที่อิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นมีแต่ของอย่างนี้จนกระทั่งฉันทะความพอใจ ที่อยากจหนอีกก็ไม่มีราคะความกําหนัดก็ไม่มีนันทิความเพลิดเพลินก็ไม่มีตัณหาความอยากได้อยากนั่นอยากนี่ไม่อยากนั่นไม่อยากนี่ก็ไม่มีอย่างนี้อุปาทานก็จะถึงความหมดไปอธิษฐานาพินิเวสานุสยาอธิษฐานะอภินิเวสานุสัย ทั้งหมดทั้งมวลก็จะหมดไปนี่นะฉะนั้นการเห็นอายตนะเห็นการทำงานของตามองเห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกนั่นเกิดความรู้สึกนี่หูฟังเสียงแล้วเกิดความรู้สึกนั่นเกิดความรู้สึกนี่ใจคิดนึกรู้สึกแล้วเกิดความรู้สึกนั่นรู้สึกนี่ต้องรู้ไปจนกระทั่งอะไรรู้ไปจนกระทั่งเลิกพอใจ เลิกกำหนัดเลิกเพลิดเพลินเลิกอยากนะหายอยากได้ยัง <c oughs> ต้องรู้ไปจนกระทั่งเลิกอยากไปเลยเลิกเพลิดเพลินไปเลยถ้ายัางไม่เลิกก็ต้องดูมันไปอีกดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยโยฉันโดวความพอใจอันใดที่เคยมีให้มันหายไปเลยโยราโควความกำหนัดที่เคยมีหายไปความเพลิดเพลิน หายตัณหาความอยากหายแล้วกิเลสทั้งหมดก็จะหมดไปนะถ้ายังไม่เกิดหรือว่ายังยังไม่หายนะก็ต้องดูไปเรื่อยๆดูไปอีกดูไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องอาศัยการดูบ่อยๆดูให้เข้าใจจนเกิดความซาบซึง้งจนเกิด ความรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้ยไม่มีอะไรมันน่าเอามาเลยไม่น่าไม่น่าเป็นนั่นเป็นนี่เลยเอามาก็เป็นภาระเปล่าๆไม่เพลิดเพลินกับอะไรเลยเหล่านี้โดยส่วนใหญ่เวลาที่เห็นของดีๆก็ยังเพลิดเพลินอยู่ใช่ไหมเราต้องฝึกฝนตนเองจนกระทั่งมองเห็นแล้วมันไม่เกิดความเพลิดเพลินเลยมีแต่เป็นภาระเป็นของที่ไม่น่าเอาถ้าจะเอาก็ทนทนไปงั้นแหละนะทําหน้าที่ก็แบบทนทนทําไป ทนทนทำหน้าที่สามีทนทนทำหน้าที่ภรรยาไปทนทนทำหน้าที่เป็นอาจารย์อย่างผมสอนหนังสือทนทนสอนไปท่านเป็นนักเรียนท่านก็ทนทนฟังไปงนั้นแหละมีอาจารย์มาสอนก็ทนฟังหน่อยผมมีนักเรียนมาฟังก็ทนทนพูดไปหน่อยแต่จะถ้าใครยังหลงเพลิดเพลินในการเป็นอาจารย์ในการเป็นลูกศิษย์ในการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอ้ยนี้คงอีกนานนะต้องเลิกเพลิดเพลินเลิกอยากเลิกต้องการ แต่ถ้าใครรยังอยากยังต้องการอีกก็ต้องไปดูมันเห็นเป็นแต่กระบวนการทำงานของอาญตนะภายในอาญตนะภายนอกเท่านี้เองไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นจนอย่างนี้เห็นจนเข้าใจมันแจ่มแจ้งจนความพอใจความเพลิดเพลินความกําหนัดความยินดีติดข้องการอยากได้นั่นได้นี่มันหมดไปอย่างนี้แหละนะจึงจะทาให้จิตหลุดพ้น ขึ้นมาได้นี่ทางตาก็อย่างนี้นะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทั้งหมดทั้งมวลนก็มีอยู่เท่านี้แหละกระบวนการทํางานของมันต้องเห็นมันจนกระทั่งเลิกเพลิดเพลินเลิกยินดีกับมันนะถ้าใครยังเพลิดเพลินยังยินดีอยู่ก็ไปดูมันไปทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความเพลิดเพลินยินดีเนะี่ยไปเข้าใจมันว่าเป็นแค่กระบวนการทํางานของธรรมะท่านั่นเองเป็นแค่การมองเห็น เห็นแล้วก็เกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาเปิดความรู้สึกบูบวาบขึ้นมามีผัสสะเป็นกลางๆแล้วก็เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ชอบเป็นการทำงานของอาณาจักรภายในบ้างภายนอกบ้างเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเกิดเนี้ยมีเท่านี้นะพอรู้ว่ามันมีเท่านี้เองเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นของจริงจังที่ยงังแท้อะไรเนี่ยนี่มันก็จะหายเพลินไปเอง พอหายเพลินเราก็ทำหน้าที่ไปแบบทนทาไปทนทนไปทนท น, ทนทำไปนะนะทนมีไปทนเป็นไปเขาให้เป็นอะไรก็ทนทนเอาแต่ของเรานี่เป็นยังไงบ้างเขาไม่ให้เราใช่ไหมขอเลยหาวิธีเป็นอย่างเนี้ยแบบนี้มันเพลินไปแล้วนะนะครับก็ลองไปดูก็แล้วกันนะ ไม่มีอะไรที่เราไปเป็นแล้วไปมีแล้วมันจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินจริ ง, รงๆหรอกไปดูเถอดนะดูโดยผ่านอายตนะภายในอายตนะภายนอกคือตามองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกนึกคิดยังไงจนกระทั่งถึงใจรับรู้สิ่งต่างๆรับรู้ยังไงแล้วเกิดความรู้สึกเกิดความนึกความคิดไปดูมันทั้งหมดเนี่ยให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ดูมันไปเรื่อยๆก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้นะ อันนี้แหละถ้าพระอราหันต์หรือว่าผู้ที่ปฏิญญาตนเองว่าเป็นอาราหันต์ตอบอย่างนี้แล้วก็ควรจะอนุโมทนากับท่านสาธุการกับท่านแล้วก็ถามปัญหาต่อไปว่าเนี่ยท่านปฏิบัติมายัางไงจึงจึงได้มีความรู้อย่างนี้เข้านะซึ่งต้องเสาต่อไปนะต้องมาเรียนว่าท่านปฏิบัติมายัางไงเราก็เอาสิ่งที่ท่านบอกนี้ไปปฏิบัต ไปฝึกฝนก็จะได้ปัญญาได้ความรู้แบบที่ท่านบอกเอาไว้ได้นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน